ทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคำเคินผ่านไปวนแบบนี้เรื่อยไปไม่มี เริ่มเข้าใจเวลาที่ผ่านมาฮือรอเจอเธอใช่ไหมหากคืนนี้เรามองตายอย่างนี้กันเรื่อยไปหากวันนี้เรายังคงจับมือกันเรื่อยไปถ้าโลกทั้งใปมันดับสลา ที่ใครทำไว้ผ้าเปล่านั้นในใจค่อยค่อยลืมเลือนจากไปขอแค่มีเธอ ยังคงจับมือกัน